สิกขาบทที่สองกิุมณีใช้ตั่งยาวหรือแท่นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังใช้สอยต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อใช้สอยแล้วต้องอาบัตปาจิตตี